ถามนมัสักการหลวงตาค่ะตอนที่ปฏิบัติเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าให้ดูผู้รู้เนี่ยผู้รู้บนเนี่ยแต่เราเนี่ยเป็นเราบอกว่าชอบไม่ชอบกลัวหรือสงสัยแบบเนี้ยใช่ผู้รู้ไหมอาจารย์แบบพอเราดูเวทนาเสร็จแล้วเราก็มีความคิดว่าชอบไม่ชอบกลัวสงสัยอะไรแบบเนี้ยใช่ที่บน พ, พ, พ, พ, พึมพำพึมพแบบที่หลวงตาว่าหรือเปล่าคะ พอเราดูเวทนาที่ที่ที่กายเนี่ยค่ะแล้วก็ดูที่ใจแล้วเราก็บอกไม่ชอบกลัวสงสัยอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่ไม่ไม่ทราบว่าใช่ผู้รู้ที่หลวงตาว่าหรือเปล่าคะเออก็เนี่ยแหละผู้รู้ก็ก็รู้มานี่ยไงที่มาบอกหลวงตาเนี่ยไงผู้รู้ก็รู้รู้แล้วมาบอกหลวงตาเนี่ยว่าเราไปรู้เวทนาแล้วมันมีการชอบไม่ชอบกลัวสงสัย นี่ยมันมีผู้รู้มามีผู้รู้มาบอกเนี่ยผู้รู้แล้วเนี่ยพอรู้แล้วมันจึงเอาเอาสยขันห้ามาบอกหลวงตาว่าเนี่ยมันมีไปรู้ไวทนาแล้วมันมีการชอบไม่ชอบสงสัยมีความกลัวอาการชอบไม่ชอบสงสัยมีความกลัวเนี่ยมันเป็นขันห้าเป็นขันห้าเป็นสิ่งปรุงแต่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้มา มั น, นไม่ใช่ผู้รู้นะอาการนี้ไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ผู้รู้ใช่ไมอาจารย์ไม่ใช่<ม>เพราะว่าผู้รู้ก็รู้มารู้อีกทีนึงเนี่ยวเราเนี่ยพอมีเวทนาแล้วเรากลัวเวทนามากเลยไม่ชอบเวทนาชอบเวทนาที่มันปโปรงโล่งเบาวสบายไม่ชอบเวทนาที่ทึกอุดอัดเจ็บปวดร่างกายไม่สบายอาการนั้นมันเป็นเวทน า, าเฉยแต่ที่อันที่มารู้เวทนาเนี่ยที่มารู้ว่ า, าเวลาพอมีเวทนาเกิดความกลัวนี่เป็นจิตเป็นจิตเป็นกิเลสที่เกิดความกลัวแล้ว มันก็มีผู้มารู้เนี่ยก็คือผู้มารู้เนี่ยคือใจเรานี่แน่ใจหรือจิตเดิมแท้ๆหรือวิญญาณแท้ๆที่อยู่ในร่างเราเนี่ยที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะไรมันก็เลยรู้ตัวเราตลอดว่าภายในตัวเราเนี่ยมันมีร่างกายเราภายในร่างกายเรามีมันเป็นอย่างไรมันมีเวทนาอย่างไรมีความคิดมีความนึกมีความตึกมีความตรองมีอารมณ์กลัวมันก็รู้หมดเลยในใจเราเนี่ยใจหรือจิตเดิมแท้ๆหรือวิญญาณแท้ๆที่มาเกิดเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีอะไรหรอกมีแต่รู้แต่ก็จะรู้หมดเลยรู้ขันห้าที่เป็น อรูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณเนี่ยขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นสิ่งที่ขันห้าเนี่ยเกิดมาจากการประสมปรุงแต่งขอ ง, ของการประสมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่แต่วิญญาณเนี่ยวิญญาณแท้แท้เนี่ยที่มาเกิดเนี่ยมันก็เลยรู้ว่าขันห้าเนี่ยที่มันปรุงแต่งมาแล้วเนี่อรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ตลอดเวลาเลยไม่ว่าในที่รับที่แจ้งมันก็จะรู้ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมีความรู้สึกยังไงมีอาการยังไงอาการต่างๆทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่รู้ เป็นขันห้าที่ถูกรู้แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวสมมุติใช่ไหมเพราะไม่ใช่ผู้รู้ผู้รู้ต้องสังเกตเองเกิดเองใช่ไหมคะผู้รู้ต้องเกิดเองคือเราต้องสังเกตเห็นเองเกิดเองใช่ไหมคะพวกที่บ่นพึมพำพึมพำที่หลวงตาว่านะคะแล้วยมงยมคิดว่าอะไรที่บน่นพึมพำพึมพำ น, นี้เป็นอะไร เป็นผู้รู้ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวไอนที่บ่นพึมพำพึม พ, มพมอยู่ในใจของเราไม่ใช่ผู้รู้อันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นขันห้าเป็นตัวจิตปรุงแต่งมันเป็นตัวผสมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่ะสมพันธ์กันมาเป็นตัวเป็นต้นมีจิตวิจใจขึ้นมาแต่รู้เนี่ยก็คือว่ารู้ว่าเราเนี่ยบ่นพึมพำพมพมนะ ไอ้ที่บ่นพึ่พามพึ่พามเนี่ยไม่ใช่ผู้รู้แต่ไอ้ที่รู้ว่าเราบ่นพึมงพามพึ่งพามเนี่ยคือผู้รู้เดี๋ยวทวีงงไงงงนะจ๊ะเนี่ยหน้าหนิวกิ๊ก็หมดมีความหมายเช่นเวชนมาเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวเท่เไม่น่า ง, งงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะมันงงยังไงอ่ะก็ตรงไปตรงมาเงี้ยเดี๋ยวเอเดี๋ยวเดี๋ยวที่เราเนี่ยบ่นพึมงพามพึ่พามเนี่ยทวีรู้ไหม ว่าในใจเรามีมีอาการบ่นพึ่มพามพึ่มพามเวลามันมีเวทนาเนี่ยก็ที่ก็ที่ที่ถามหลวงตาอะไรว่าแบบไอ้รู้ที่บาร์แบบว่าเรากลัวเราสงสัยเราชอบเราไม่ชอบเดยถามหลวงตาว่าแล้วมันก็บ่นด้วยนะมีอาการบ่นด้วยนะใช่ไหมมีอาการพูดอะไรบ่นอะไรในใจด้วยใช่ไหมมันบ่นบ่นไม่ค่อยเห็นนมันเห็นมันมันมันซ่อนอยู่นิดนิด ไม่ค่อยเห็นว่ามันไปยุ่งกับอาการชอบไม่ชอบเวทนามันไปยุ่งแต่ตัวนั้นมาแล้วไม่เห็นตัวบนตัวพูดตัวบนแสดงว่ายังไม่เห็นตัวบนใช่ไหมคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายยังไงเนี่ยไอของง่ายๆกลายเป็นของอยากเดี๋ยวคือที่ยมตวีเนี่ยอามาบอกได้อาการทั้งหมดมาบอกได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องถูกรู้มาหรือว่ามัน บางตอนไปเอาการที่ถูกรู้มามาเป็นผู้รู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ใหม่ผูดใหม่ที่ผูดใหม่ผู้ก่อใหม่ไปด <s words> ูเวทนาค่ะไปจับที <braking APPLAUSE> ่เวทนาแทนไในคําว่าพุทโธไงฮะไปดูเวทนาคือไปดูความตึงความยนต์แล้วก็ความร้อนอะไรแบบเนี้ยก็ดูแล้วก็ที่เดินเนี่ยดูแล้วก็ดูที่หลวงตาบอกว่าให้ดูผู้รู้อ่ะ ดูผู้รู้อ่ะดูผู้รู้ทำไมเอเวทนาเป็นผู้รู้เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ถูกรู้เวทนาเป็นผู้ถูกรู้ค่ะเอาเวทนาเป็นผู้ถูกรู้ค่เราจะรู้และเราจะพูดตรงกันแล้วเวทนาเป็นผู้ถูกรู้ค่ะพอรู้เวทนาเสร็จก็เดินเดินเดินแล้วก็คิดก็บางอย่างมันกลัวบางอย่างมันสงสัยบางอย่างมันเนี่ยคิดแบบเนี้ยเลยจเลยถามหลวงตาว่าไอ้ที่คิดแบบนี้เนี่ย ใช่กับที่หลวงตาพูดวบบ่าบ่นพึมพำพึมพำอะไรเงี่ยใช่หรือเปล่าเลยไม่รู้ว่าตัวเองเข้าใจผิดหรือถูกออะไรก็ตามที่ถูกรู้ได้ปล่อยวางมันให้หมดงี้ได้ไหมล่ะไอ้ที่มันบน่ม พ, พึมพำพึมพำอะไรด้วยกับตามเนี่ยที่มันถูกรู้ได้แล้วปล่อยวางมันได้หมดได้ไหมมันเป็นสังขารตัวปรุงแต่งได้ไหมอ่ะมันก็วางอยู่แล้วไม่ก็ไปไม่ไม่ไปต่อไม่ไปมไม่ไม่ไปอะไรอยู่แล้ว เพียงแตว่าคิดสงสัยแล้วก็รู้เฉยๆก็คือคิดก็คือคิดก็ไม่ได้คิดต่อก็คือสงสัยเออสงสัยก็รู้ไหมว่าสงสัยแล้วก็สงสัยแล้วก็วางไปมันกลัวรู้ไหมว่ากลั ว, ร, วออรู้ว่ากลัวรู้ว่ากลัวก็วางไปเพราะว่ามันเป็นขันหน้านะมันเป็นขันหน้าตัวรวงแต่งมันไม่เที่ยงแล้วก็วางไปยังไงอีก อ่าดบุญไอบุญพึมพำพึมพำอีกบุญพึมพำพึมพำรู้ไหมนี่ยไม่ค่อยไม่เค่อยรู้เท่าไหร่คะหลวงตาคือเอาในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรอาการอะไรเกิดขึ้นมาในในในร่างกายในจิตใจเราเนี่ยเห็นว่ามันเป็นสังขารแล้วก็เห็นมันแล้วก็วางมันไปอ่ะรู้มาแล้วว่ามันมันมีอะไรมีกิริยาอาการอะไรเกิดขึ้นแล้วก็วางมันไปรู้แล้วก็วางมันไปรู้วางมันไปไอบุญพึมพำนั่นก็เป็นสังขารหรือคะ ไอ้ที่บน่นที่บน่นที่บ่นที่เป็นเป็นสังขารเป็นสังขารที่บน่นบ่นบ น, บ น, บ น, บนพูดอะไรอย่างเงี้ยเป็นสังขารตกแต่งแล้วถ้าเห็นคิดเนี่ยฮะถ้าเห็นคิดเห็นคิดแล้วเราเราต้องหยุดหรือว่ามารู้ให้มารู้ตัวหรือว่าดูคิดแล้วว่าเราบ่นอะไรหรือเปล่าแบบนี้ฮะ ที่อยู่นี่พอคิดปั๊บเนี่ยเราจะแบบไม่รู้สึกตัวไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่พอรู้คิดเรามาทําความมาอยู่กับความรู้สึกตัวแอะไรความคิดมันหายไปนะก็คือรู้ว่าคิดอยู่แต่ให้เห็นว่าความคิดเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่งก็ได้แต่แค่รู้คิดอ๋อให้รู้ว่าความคิดนั่นเป็นสังขารปรุงแต่งออใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะมันควรจะเล่าเดี๋ยววันมันมีเรื่องเรื่องนี้ที่ที่พอจะทําให้เสริมความเข้าใจขึ้น เมื่อกี้ก็เล่ากับโยมคุยกันเรื่องเรื่องคนใบ้ีเด็กที่เป็นใบ้คนหนึ่งผู้หญิงมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ชื่อนุ่นเขาเป็นใบ้แม่เขาเนี่ยฟังยูทูบหลงตาแล้วก็คนที่เนเธอร์แลนด์และเยอรมันเนี่ยฟัง y o u t u b หลงตาเยอะมากเลยก็มีทยอยกันมาหาหลงตาอยู่เรื่อยนี่ก็แม่เขาเนี่ยมา มาหาลงตาอยากจะมาถามธรรมะหลวงตาก็เลยก็ว่เอา้าลูกจะนอนที่โรงแรมไหมเอาไม่อยากนอนก็ยังก็ตามแม่มาแม่ลูกเขาลูกสาวเป็นใบ้พอแม่เขาก็าเนี่ยมาคุยกับลวงตาเรื่องธรรมะเราก็บอกว่าลูกสาวไม่คุยอะไรบ้างเหรอบอกแม่เขาก็เลยบอกว่าลูกสาวเขาเป็นใบ้ลูกสาวเขาเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยเสียใจที่เขาเนี่ยไม่สามารถรู้ธรรม สนทนาธรรมกับหลวงตาได้หมดโอกาสที่จะเกิดมาในชาตินี้หมดโอกาสที่จะรู้ธรรมเพราะว่าเขา่หูหนวกแล้วพูดไม่ได้หมดโอกาสที่จะสนทนาธรรมกับหลวงตาแล้วก็แม่เขาเนี่ยคุยคุยธรรมมากับหลวงตาเนี่ยเขาเลยไม่เข้าใจว่าแม่กับแม่เขากับหลวงตาเนี่ยคุยอะไรกันหลวงตาพูดว่าอะไรหลวงตาเลยบอกว่าให้รู้ออกมาจากใจ รู้ออกมาจากใจไม่ต yeah. ้องรู้ได้หูไม่ต้องรู้ได้ตาไม่ต้องรู้โด้จมูกไม่ต้องรู้ได้ลิ้นไม่ต้องรู้ด้วยความคิดรู้ออกมาจากใจรู้ออกมาจากใจรู้อะไรให้รู้ออกมาจากใจไม่ต้องพึ่งรูที่หนวกไม่ต้องพึ่งพุ่งพึ่งปากที่พูดได้ไม่ต้องพึ่งระบบความคิดความเข้าใจไม่ต้องฟัง ลงตากับแม่ว่าพูดกันแล้วเขให้เข้าใจว่าอย่างไรแต่ขอให้รู้ออกมาจากใจรู้อะไรให้รู้ออกมาจากใจเขาเลยเห็นว่าความคิดเหมือนกับว่าเขาก็เลยไม่ตัดขาดโดยไม่ต้องไปทําความเข้าใจเพราะว่ามันไม่สามารถเข้าใจทั้งหูกับทางการพูดกันได้ก็เลยรู้ใช้รู้เอารู้ออกมาจากใจ รู้ว่าต MM ัวเองอ่ะคิดอะไรให้เป็นรู้อยู่ให้รู้ที่ใจรว่าตัวเองอ่ะคิดอะไรเขาเลยเห็นเหมือนกับว่าความคิดเนี่ยมันคิดอยู่ในสมองแล้วเนี่ยรู้เนี่ยมันก็รู้ความคิดที่ใจแต่คิดเนี่ยไม่ใช่รู้รู้เนี่ยไม่ใช่คิดแล้วถ้าใช้ความคิดเนี่ยมันเป็นความเข้าใจแต่รู้ความคิดเนี่ยมันรู้ออกมาจากใจไม่ต้องเข้าใจรู้ว่ากำลังคิดอะไรเขาเลยรู้ออกมาจากใจ แต่ของโยมทวีเนี่ยพยายามเนี่ยจะเอาความคิดให้เข้าใจเข็นความคิดให้เข้าใจมันเลยไม่รู้ออกมาจากใจมันเลยเป็นใจเนี่ยที่มารู้ขันห้าเนี่ยไม่ได้เพราะความคิดมันเป็นขันห้าพอเราไปใช้ระบบความคิดมันก็จะมีแต่เราหลงไปเป็นขันห้าเอาขันห้ามาเป็นตัวเราเอาตัวเราไปเป็นขันห้าแล้วมันจะโดยการพยายามจะทำความเข้าใจด้วยระบบความคิดเลยเราเลยไม่ ไม่รู้ออกมาจากใจมันเลยไม่ไม่เป็นรู้เนี่ยแล้วก็ส่วนขันห้าเป็น ส, s, <S สิ่งที่ถูกรู้ก็เลยเราเราไม่เข้าใจว่าขันห้าทั้งหมดเนี่ยที่มันมีแสดงกิริยาการได้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ส่วนที่รู้เนี่ยเรียกว่าจิตเดิน แ, แท้แท้หรือใจแท้แท้หรือวิญญาณแท้แท้มันรู้ออกมาจากใจเลยมันรู้ออกมาจากใจเลยไม่ต้องผ่านระบบความคิดไม่ต้องผ่านระบบความเข้าใจเหมือนคนใบ้เนี่ยไม่ต้องผ่านระบบการพูดก็เลยรู้ออกมาจากใจเลยเราเคยได้รู้ว่า เขาเลยรู้ว่าเขาเนี่ยหลุดพ้นพ้นจากความคิดได้มาเป็นใจตอนนี้คนดีที่นั่งอยู่ในที่นั้นทั้งหมดอะคนปกติไม่รู้ไม่เข้าใจหมนเป็นอย่างเงี้ยคือเพราะว่าคนดีเนี่ยพยายามจะใช้ระบบความเข้าใจพูดยังไงก็ไม่สามารถรู้มันจากใจได้ทันทีเขาก็พยายามถามแล้วก็รอกว่าให้เด็กที่เป็นใบเนี่ยตอบ เพราะว่าลูกตาต้องการจะช่วยเหลือเขาเนี่ยให้พ้นจากผมด้วยว่าเขาเนี่ยสามารถสอนคนดีได้คนปกติได้เพราะคนที่นั่งฟังเนี่ยไม่เข้าใจให้เขาสอนหน่อยเราสอนได้แล้วบอกว่าหนูเนี่ยให้รู้ทุกคนรู้ออกมาจากใจเพราะคนอื่นเนี่ยเขารู้้วยระบบความคิดแต่หนูเนี่ยรู้ออกมาจากใจรู้จะได้ยินเสียงที่ใจ รู้จะเห็นที่ใจรู้ที่ใจได้ยินเสียงที่ใจรู้จะรู้คนอื่นได้เขาว่ารู้ได้เหรอไม่นัไม่เชื่อรู้ได้ถ้ารู้จักใจอ่ะมันมันเหนือกว่าความคิดความคิดเนี่ยมันมันแคบเพราะว่ามันต้องใช้ระบบการเรียนรู้มันเลยแคบมากถ้ารู้จักใจเนี่ยรู้ไม่มีขีดจำกัดพ้นขีดจำกัดเลยเทพเทวดาอินพรมยมยักษ์นาคุศมนุษย์คนทันแม้แต่สัตว์เดรัจฉันเลื่อนผ่านหน้ามดแมงสาัา์ ไอ้ปวกหรือตัวอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันรู้ออกมาจากใจเนี่ยมันก็บางทีมันก็สามารถรู้ได้เลยว่าเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงมันคิดอะไรมันนึกอะไรมันทํากรรมอะไรจึงมาเป็นอย่างนี้มันสามารถรู้ได้เลยแต่ระบบความคิดเนี่ยไม่รู้แต่ถ้ารู้ออกมาจากใจอะบางครั้งอาจสามารถรู้ได้ก็เ<อ>ลยมีคนหนึ่งเลยบอกว่าเขาเนี่ยพยายามที่จะขับไล่ความคิดกําจัดความคิดให้ออกไปจากใจ มันกำจัดไม่ได้สัทีจะทำพยายามทำให้มันไม่คิดกำจัดความคิดให้ออกมาจากใจไม่สามารถจะกำจัดได้เขาเลยบอกว่าทำไมอ well ่ะเราลืไปอยู่กับของที่มันตายเพราะความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดดับมันเป็นของที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมันมันก็เป็นของตายอยู่แล้วทำไมเราจึงไปอยู่กับของที่ตายแล้วเราทำไมไม่อยู่กับใจของเราที่เป็นของไม่เกิดไม่ดับ เลยเขาบอกว่าอ you know? ้าวคนดีก็เลยถามคนใบว่าแล้วเราจะพบใจที่ไม่เกิดไม่ดับได้ยังไงอะไม่แตกไม่ดับไม่ตายได้ยังไงอ้าวเขาก็เลยบอกเราก็ต้องรู้จักใจรู้ออกมาจากใจต้องต้องรู้ที่ใจแล้วก็รู้ออกมาจากใจรู้อะไรก็รู้ที่ใจรู้ที่ใจแล้วก็รู้ออกมาจากใจมันเลยไม่ไปอยู่กับของตาย ไม่ไปอยู่กับลูกกับผัวกับเมียกับสมบัติพุทสถานรู้อะไรก็รู้ลูกลูเมียรูผัวรูสิ่งต่างๆรู้ที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจรู้ออกมาจากใจมันเลยไม่ไปรู้ที่เขาเนี่ยไปรู้ที่เขาไม่ได้รู้เรื่องของเขาหมดแต่นี่เขารู้ที่ใจมันเลยไม่ไปอยู่กับของที่ตายเพราะว่าคนทั้งหลายที่ถูกรู้เนี่ยเป็นของที่ตายเกิดแล้วก็ต้องตายทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จังหาทั้งหมดต้องตายแตกดับแต่เขารู้อยู่ที่ใจ มันของที่ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายเนี่ยเขารู้ที่ใจแต่คนทั้งหลายเนี่ยไปรู้ที่ของแตกดับที่ตายมันก็เลยมีความทุกข์เหนือ่อยเพราะว่าใจมันก็เลยไปปลูกกับของแตกดับที่ทำลายได้มันก็เลยเป็นความทุกข์เห็นไหมคนใบ้คนหูหนวกสวนดท้ายเอารู้ทําได้หน้าตาเป็นสีชมพูเป่เงปังไปหมดเลยเขาบอกว่าเหมือนดอกบัวบานเลยเขาเนี่ย ใจเขาเนี่ยเหมือนบอกดอกบัวบานพ้นขีดจํากัดเลยเขารู้ว่าเขาสามารถไปสอนคนได้ทั่วโลกเลยเพราะขีดจํากัดของเขาเนี่ยภาษาใบามันทะลุไปได้ทุกชาติภาษาไม่มีขีดจํากัดเลยภาษาใบาสามารถพูดได้หมดเลยพูดได้ภาษาใบพา อ, อจะเข้าใจไหมเนี่ยเปรียบเทียบกับเราได้ไหมยงตวีเนี่ยพยายามจะเข้าใจในระบบความคิดไม่ได้รู้ออกมาจากใจลงตาบอกว่า ให้รู้สิ่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับได้แต่ใจเนี่ยมันไม่เกิดได้ดับไม่มีตัวตนเราผู้รู้เนี่ยแต่ขันห้าที่ถูกรู้เนี่ยมันเป็นสิงเกิดดับได้มีความรู้สึกนึกคิดเกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้มีอารมณ์ได้เกิดดับได้ไม่เที่ยงแต่ไอ้ที่มารู้ตัวเราเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่รู้มันอยู่ที่ไหนแร้วมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายแต่ไม่ว่าเราจะมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แอบคิดแอบนึกแอบตึกแอบต้องแอบพูดแอบกระทำอะไรในที่รับที่แจ้งไม่รอดพ้นจากใจที่รู้ตัวเราได้เลย เพราะวอะไรมันรู้อยู่มันรู้ทุกอย่างออกมาจากใจเพะนั้นน่ะเราแอบคิดแอบพูดแอบกระทำอะไรไม่สามารถรอดพ้นเราออกจากจากผู้รู้ได้เลยแน่ให้รู้ทุกอย่างน่ยรู้ออกมาจากใจรู้ที่ใจเนี่ยแน่พระอาจารยนั่งหลายเนี่ยถามท่านอยู่กับรู้อยู่กับรู้เนี่ยแน่คือรู้ออกมาจากใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทําลายเนี่ยการปฏิบัติธรรมในที่ท่านว่าปฏิบัติไปให้สุดขุดให้ถึงเนี่ยก็คือให้ถึงใจที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยไม่แตกไม่ทําลายผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรม ผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงพันธิพาลไม่ทราบไปเข้าใจไม่เข้าใ จ, าใจช่วยถ้าไม่เข้าใจต้องช่วยกันอธิบายนะช่วยกันอธิบายให้ลงุงลุงตาชวยตาอธิบายให้ใครบ้างอืว้าไงอ่ะทวีเข้าใจไม่เข้าใจที่พูดเนี่ยซักให้ชัดเจนอืม ไม่เข้าใจงงอยู่เนี่ยอ๋อเดี๋ยวพูดพูดใหม้พูดแต่ไม้เข้าใจไม่เข้าใจยังไงอธิบายสิหรืองงอยู่นั่นนงงงอยู่เนี่ยอธิบายน่ะเข้าใจคําว่าใจค่ะแต่ว่าที่ปฏิบัตินีะ่ะที่ว่าหลวงตาบอกว่าให้สังเกตบิญญาณขันเนีะะ่ยค่ะ ไม่ต้องมาเอาตรงเข้าใจแค่ไหนเอาตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องไปหาความเข้าใจเองเดี๋ยวจะไปตรวระบบความคิดระบบความจําความเข้าใจอีกเพราะว่าถ้าเข้าใจใจแล้วก็ให้เป็นใจนั่นเลยที่เราบอกว่าเอาเข้าใจแล้วว่าใจมันคืออะไรให้เป็นใจนั่นเลยไม่ต้องไปเอาสัญญาเอาความคิดมาย้อนหลังได้ไหมล่ะือได้ออกมาจากใจโอเคค่ะ อนี่เดียวทวีเอ้ทวีไปเอาไว้เอะไปเอาไว้ตัวสังขารนี่มันสงสัยสงสัยประมวลผลวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะหสงสัยสงสัยในใจการเป็นตัวเราซะแล้วไปเอาตัวสังขารปรุงแต่งได้มาเป็นตัวเราซะแล้วไม่เป็นใจที่รู้ตัวเราซะแล้วเนี่ยคือทิ้งรู้ไปเลยอ่ะมาเป็นตัวสังขารเลยเอาแต่จะคิดจะคิดเจะสงสัยสงสัยประมวลผลทำวะก็ใจอยู่ในใจตอนเนี้ย เห็นไหมเนี่ยดวงตาพูดเนี่ยเอาหมายเอาไมายพูดพูดไปสิเนี่ยเนี่ยเสียโอกาสนิดเดียวเลยเนี่ยเห็นค่ะเห็นตามที่หลวงตาบอกเออเห็นแล้วก็เห็นว่าเนี่ยไอ้ที่ประมวลผลสงสัยสงสัยตรงไหนคยจะมาคยจะมาค่อยจะมาที่มันสงสัยสงสัยประมวลผลวิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะห์วิเคราะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเห็นว่ามันเป็นตัวสังขารตัวปรุงแต่งมันเป็นขันห้าเป็นตัวสมมุติอย่าทิ้งรู้สิ อย่าทิ้งรู้ก้นที่เนี่ยรู้ว่ามันสังขารรู้ว่ามันปรุงแต่งรู้ว่ามันสงสัยรู้ว่ามันสงสัยแต่เราทิ้งรู้<อ>ไม่เป็นสงสัยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วต้องรู้จากใจรู้ว่าสิ่งขันห้ามันเป็นสิ่งปรุงแต่งสิ่งที่คิดสิ่งที่อะไรนี่เป็นสิ่งปรุงแต่งถูกไหมใกล้ลวงตาถูกแล้วเข้าใจัแล้วอ้ะ เมื่อก <thing>? okay. okay. ี้ก็ด <lit> ีๆอยู่ทำไมกลับไปคิดอีกอะทวีกลับไปหมกมุ่นอยู่ข้างในอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ก็พูดชัดเจนหมดทุกอย่างแล้วพอวางไม้ปุ๊บกลับไปหมกมุ่นเลยผมกลับไปหมกมุ่นคุณคิดเลยกลาหลงไปเป็นสังขารเลยอ่ะเอาสังขารเป็นตัวเราหลงเอาตัวเราเป็นสังขารเลยเดี๋ยวทวีเข้าใจไหมเนี่ยว่าพอวางไม้ปุ๊บหลงเอาตัวเราเป็นสังขารเลยอ่ะเขาใจะเข้าใจแล้วพอวางไม้หลงไปหมกมุ่นคุณคิดเลยหลงกลายไปเป็นสังขารซะเองไม่ใช่ว่า รู้ว่าตัวเรากำลังคิดแต่เอาตัวเราเนี่ยไปคิดเลยเดี๋ยวตัววีงงเลยงงเอาว่าเข้าใจแล้วทไมมันกลับไปงง ง, งี้ได้เป็นอย่างที่ลุงตาบอกหรือเปล่าล่ะไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่บอกไปเลยว่ายัางไงอ่ะนี่ลุงตาช่วยเต็มที่แล้วเนี่ยเห็นมาไกลมากเลยนี่มาจากอะไรตังใช่ั้ย ในบินเหมาออตังได้ก็พยายามทําตามที่หลวงตาบอกเมื่อวานที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเมื่อวานแล้วสิไม่เอาแล้วเมื่อวานเนี่ยเป็นอดีตไปแล้วเอาบอกว่าอดีตได้ทิ้งหมดเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเนี้ยกระร้าพุกกระเดี๋ยวเนี้ยวันนี้เนี่ยที่เดินเดินตลอดทั้งวันเนี่ยคือจะดูเวทนาอยู่สองดูเวทนาใช่แล้วมันเทวีกลับไปยังก็เดินแล้วก็เมื่อกี้ที่พูดกันนะตรงเนี้ยไม่ต้องกลับไปดูเวทนาไม่ต้องไปดูอะไรแล้วเมื่อกี้ มื่อชาที่เดินดูเวทนาก็เป็นอดีตไปแล้วไงอดีตเป็นทำเมารู้เวทนาจากจากใจไม่ใช่้วอดีตเป็นทำเมาเนี่ยพูด ก, กับตรงนี้ยเดี๋ยวนี้เลยเอาปัจจุบันปัจจุบันปัจจุบันขนาดเดี๋ยวนี้เลยมันทจะมาย้อนกลับไปแล้วอืงเดี๋ยวทวีก็กลับไปปฏิบัติอย่งางเก่าแล้วรู้เวทนาจากใจแล้วว่เดี๋ยวก็มาบ่นกับเราแล้ว มันปวดอาจารย์มันปวดลาวกาไมไปหมดเลยเนี่ยมันจะตายแล้วเราก็บอกจะไปยุ่งกับเวทนาเนี่ยสอนมันจนถึงเนี่ยให้หลุดออกจากเวทนามาหาจงทั้งปล่อยวางเข้ามาถึงใอ้ผู้รู้แล้วเนี่ยอาจจะกลับไปย้อนอดเวทนาอีก mm. แล้วอือไอ้ที่เราไปปฏิบัติปิดผิดอะไรมาเลิกเลยสมัยไหนก็ไม่รู้เน่ยไม่รู้ว่าไปปฏิบัติกับใครอย่างไรมาเนี่ยก็เลิกทั้งหมดแล้ว ไม่เอาแล้วเนี่ยเอาปัจจุบันเนี่ยที่คุยกับหลวงตาเนี่ยเมื่อกี้ก็พยายามไล่ให้เนี่ยหรือจะไล่ใหม่ทีงหให้คนอื่นโอกาสคนอื่นบ้างนะหลวงตาวันไม่ขาดเอาไม่ขาดก็ไม่ขาดแล้วแต่โอกาสเอา อ่เอาไเอาไมต่อไปไม้ใกล้ใครเอาเลยจะถามดวงตาค่ะอ่าอจะก็คือตอนนั่งอะค่ะมัน จ, จะมืดๆหน่อยพวกเนี้ยตา ม, มันมองไม่ือตา ม, มันมองไม่เห็นล้าตะแว่นตาเดี๋ยด้อมาใส่แว่นตาไปตอนนั่งอะค่ะตอนเริ่มแรกมันก็จะจับที่ลมหายใจได้มันก็จะรู้มีสติรู้อยู่ตลอดเวลา แต่พอนั่งไปแล้วอะค่ะมันจับไม่ได้อะค่ะมันไม่รู้ว่าเป็นที่มันไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั่งจับอะไรนะจับที่ลมหายใจอะค่ะตอนนั่งจับที่ลมหายใจแล้วเป็นยังไงจับลมหายใจไม่ได้พอนั่งมันพอนั่งไปสักพักมันจะจับที่ลมหายใจไม่ได้แต่มันก็รู้สึกตัว เออก็เป็นอย่างนั้แหเพะ ว, ว่าจิตมันเริ่มเข้าไปสู่อารมณ์สมาธิอ๋อพอจิตมันเริ่มเข้าไปสู่อารมณ์สมาธิคือเราไม่ไม่ฟุ้งซ่านแล้วเนี่ยลมหายใจมันจะค่อยๆขาดหายไปขาดหายไปหาย Panch ขาดหายไปจนกระทั่งจับความจับลมหายใจไม่ได้จนกระทั่ทงลมหายใจเนี่ยมันขาดหายหมดเลยเราก็เหลือแต่รู้อย่างเดียวเหลือแต่รู้รู้รู้รตึกตัวจ้ะเหลแต่รู้ตึกตัวอย่างเดียวเลยเด็ ก็คือ <elaborate> ร <You know. S 1> ู้ว่าเราหายใจมันขาดหายไปเนี่ยอยู่กัรู้นั่นเลยรู้อยู่กับรู้ได้ความรู้สึกตัวอยู่กับรู้ได้ความรู้สึกตัวรู้อะไรก็รู้ว่าเราหายใจนั้มันขาดหายไปแล้วก็มันนิ่งเงียบอย่อางนั้นเนค่ะก็อยู่กับรู้น่นเลยค่ะเพราะว่ารู้อะไรก็รู้ว่าเราหายใจมันขาดหายไปอยู่กับรู้นั่นแหละอยู่กับรู้อย่าปล่อยให้ไปพุ่งซานเรื่องอื่นอยู่กับรู้เลยเนี่ยได้ไหมได้ค่ะได้เออไน้ได้ได้ แล้วอย่างนี้จะมีวิธีการพัฒนาต่อไปยังไงอยู่กับลู้ไงนั่นแหละคือพัฒนาแล้วสูงสุดแล้วนั่นแหะคืออยู่กับลูกพ่อแม่ครูบาอาจารย์อาหลานทั้งหลายอยู่กับรู้เนี่ยคือพัฒนาสูงสุดแล้วไม่มีต่อยอดเกินกว่านี้อีกแล้วพ่อแมกครูบาอาจารย์อาหลานทั้งหลายอยู่กับรููอยู่กับรูกหมดเลยบางทีมันก็รู้สึกว่ามันแบบอารมณ์มันแบบลงพึบลงไปเลยอะค่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่แป๊บเดียวจิตรวมไหมอ่ะ คือก่อนหน้าค่ะที่คืนหนูเพิ่งมาปฏิบัติได้ประมาณสักสองเดือนกว่าๆตอนแรกๆที่ปฏิบัติเพราะว่ารู้สึกปวดหัวแล้วก็มาเริ่มปฏิบัติเองทำผิดๆถูกๆค่ะ ก, ก, ก็ก็มาเข้าคอร์สพระอาจารย์ท่านอื่นบ้างอาการปวดหัวก็เริ่มหายขึ้นแล้วคราวนี้หนูก็เริ่มปฏิบัติอย่างจริงจังจากอารมณ์ที่เคยร้อนมากๆ แล้วก็จิตที่เหมือนกับมีอะไรแบบวนเวียนอยู่ตลอดเวลามันก็หายหายค่อยๆหายไปหายไปหายไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันก็ยังมีอยู่บ้างอะคะ่ะลวงตาเราอยู่กับรู้สิอย่าไปอยู่กับอาการของจิตที่เปลี่ยนแปลงอ่าอยู่กับรู้เพราะว่ารู้เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงอยู่กับรู้คือรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างอะอาการอะไรเปลี่ยนแปลงไงก็ได้แต่แค่รู้อาการยังไงเปลี่ยนแปลงไงก็แค่รู้อยู่กับรู้หมายถึงว่าแค่รู้แค่รู้แค่รู้ในปัจจุบัน คือมีสภาพว่าวูบลงไปยังไงก็ตามหนูแค่รู้อย่าทิ้งรู้อย่าทิ้งรู้แค่รู้แค่รู้แค่รู้ไปเรื่อยๆอ่าอย่างนี้น่ะมันจะเปลี่ยนแปลงไงก็แค่รู้แค่รู้แค่รู้ตะพุตะพือหรือว่าสักตะวารุตะพุตะพืแล้วมันจะมีอะไรบอกไหมคะพรอหลวงตาว่าอันเนี้ยมันคือสิ้นสุดแล้วอย่าไปหาสิ้นสุดเลไอ้แค่รู้เนี่ยแหะคือสิ้นสุด ถ้าหนูไปเอาทีนสุดอันนั้นน้าไม่แค่รู้แล้วเพราะว่ารู้จะไ ป, ปหาจุดจบ <le? S 2> อันนั้นกิเลสเข้ามาแทรกแล้วเพราะว่าอาหารทั้งหลายอยู่กับรู้นี่เนี่ไม่มีหรอกที่ไปหาจุด จ, จบตรงนั้นก็คือพัฒนาไปก็คือให้ดูแค่รู้อย่างเดียวเถ้าหนูแครรู้ได้ในปัจจุบันมันก็จะมัอันนั้นหน้ารู้ว่าคนทุกข์แล้วแต่แค่รู้จริงๆในปัจจุบันบางทีหลังจากออกจากสมาธิก็รู้สึกว่าตัวมันนักหนักค่ะลงตาเออไอ สมาธิมันยังไปไม่สุดสายเราเราไปออกไปออกมาโดยที่มันไม่มไม่เวลาสมควรอ๋อแล้วเราจะออกยังไงอะคะในก็เดี๋ยวมันออกเองปล่อยให้สมาธิมันไปจนสุดสายอ๋อแล้วมันก็จะหายไปเองเดี๋ยวไอสมาธิเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไปจนสุดสายแตนี้ยไปสมาธิมันไปยังไม่สุดสายเราเราไปสูมันหนักมออกมาพยายามจะออกทำไมมันไม่ออกมันเป็นสมาธิอยู่ออเป็นสมาธิอยู่แล้วมันแบบมันก็เลยใช่มันรู้สึกแบบว่าเหมือนกับมี มีล่างกับมีจิตแยกกันแล้วมันทําให้รู้สึกหนักหนักเออแตแต่มันออกไม่ได้เพราะว่าหนูพยายามจะออกนะมในในในอะไรล่ะสภาวะของสมาธิมันยังไปไม่สุดสายอหนูก็ฮปล่อยม่านก็แค่รู้อยู่ก็รู้จะเอออะ๊อออะเอออะพยายามจะจะถอนออกมาในขณะที่มันยังไม่ไม่สมควรหนูก็ดูไปเฉยเฉยมันก็หายเฉยเฉยดูไปเฉยเฉยแล้วก็เดี๋ยวเออเนนี้มันไม่เที่ยงเองมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อย เพราะว่าอารมณ์สมาธิก็ไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันก็จะเปลี่ยนมันเองแนหะเพราะว่ามันเป็นเวทนานะอารมณ์สมาธ ท, ทั้งหมดเป็นเวทนาแล้วมีวิธียังไงไหมคะหลวงตาเวลาก็คืออารมณ์มันยังจํากัดไม่ได้หมดเวลาถ้าเกิดเราเจอสภาวะแวดล้อมที่กระทบเข้ามาในจิตใจอ่ะคะ่ะอย่างเช่นมีคนโกรธแล้วคือเราก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นสูงสุดอะคะ่ะยังไงมันก็ต้องมีอารมณ์โกรธเป็นธรรมดาใช่ไหมคะเดี๋ยวผมได้ปิดแล้ว ก็ใจผิดไปตรงนี้สำคัญมากเนี่ยที่ตัดตอนตรงเนี้ขอโทษทีเพราะว่าหนูก็ใจผิดถ้าก็ใจผิดตรงนี้แล้วเดี๋ยวมจะผิดยาวผิดเรื่องใหญ่<ฆ>เพราะหนูก็ใจผิดว่าโอ้หนูยังปฏิบัติไม่เก่งอะไรเข้ามามันก็ต้องกิริยาการของจิตมันกระเพื่อมหวหัยวัดกวนไหวบ้างมีอารมณ์บ้าง อ, อันนี้คือปกติเลยแต่เราเนี่ยแค่รู้ไม่ลงไปกับอะไรเลยอไม่ใช่เข้าใจผิดว่าเราเรารู้เก่งแล้วหลุดพ้นแล้วทุกอย่างมากระทบใจว่างเปล่าอย่างเดียว อันนี้กลายเป็นโรคเออไปเลยเลยคือมันจะเป็นโรคแบบอย่างนั้นไปเลยโรคเออไปเลยก็คือมันก็ไม่มีวิธีใดมาป้องกันให้จิตไม่คิดอย่างนั้นใช่ไหมคะก็ให้แค่ดูไปเรื่อยๆแค่นั้นใช่ไหมคะถูกต้องเลยถ้าเราพยายามป้องกันไม่ให้จิตมีอาการเนี่ยนี่ก็จะกลายเป็นโรคเออเลยออมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแค่รู้อย่างเดียวอไม่ถูกดูดไม่ถูกผักเลยอาการอะไรเกิดขึ้นไม่ไม่มีไม่มีที่ผลต่อใจแล้วก็แค่รู้อย่างเดียวรู้อาการนะอาการรู้ในอาการทั้งใจเราไม่ใช่ว่า ไปรู้ข้างนอกเออไม่ให้เกิดสภาวะอะไรหรือให้ใจว่างอย่างเดียวอันนี้โลกเออเลยคือมันกระทบอะไรแล้วก็เกิดอาการในใจยังไงเนี่ยตรงไปตรงมาซื่อซื่ออยู่กับรู้ซื่อซื่ออย่างเดียวรู้ซื่อซื่อรู้อาการนะรู้จิตซื่อซื่อรู้อาการรู้จิตซื่อซื่อ